สิกขาบทวิพังห้าร้อยยคำว่าถ้าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ถูกโจรชิงจีวรไปที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมันดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าเครือขัดชายได้แก่บุรุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าเครือขัดหญิงได้แก่สตรีผู้ครองเรือนคำว่าจีวันจานวนมากคือจีวันหลายผืน คำว่านำมาปวรณาคือนำมาปวรณาว่าท่านจงรับจีวรตามที่ปรารถนาเถิดคำว่าภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสง์และอันตรวาสกเป็นอย่างมากจากจีวรที่เขานำมานั้นความว่าถ้าจีวรหายสามผืนเธอพึงยินดีสองผืนจีวรหายสองผืนพึงยินดีหนึ่งผืนหายผืนเดียวไม่พึงยินดีคำว่าถ้ายินดีเกินกว่านั้นความว่าภิกษุออกปากขอเกินกว่านั้น